พลโยคาว่วจรทั้งหลายเวลาเช้าตรูนี่มีความสำคัญมากเวลานี้บรรดาสาวพระคองสมเด็จพระผู้มีพระภ่าเจ้าทุกท่านน้มัสะการพระาราตณาจัยแล้วสมาธานและกรรมฐ า, านแล้วการสมาธานและกรรมฐ า, านท่านอย่าลืม ที่เราปรกาศตัวว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวารชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการมอบกายก็หมายความว่าเราเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์โลกไม่มีความสุขการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นปัจจัยของความทุกข์ เราหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้โลกทั้งสามโลกคือมนุษยโลกเทวโลกและก็มิโลกไม่เป็นแดงขึ้นความสุขจริงดางนั้นขอบัรดาพโยคาวาจรทึเ่เป็นสาวก ข, ขององสมเด็จพระพูมีตพระเจ้ า, จ, าจงตั้งกำลังใจตามนี้ในเวลาเช้าตรูคือใช้อารมณ์ก็อาจจินกัญญาจตนาชาญ จับว่าเป็นอรูปฌานตั้งไว้ในกำลังของจิตเวลานี้เราคิดไว้เสมอว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์หายความสุขที่แท้จริงไม่ได้อะไรบ้างในโลกนี้ที่จะส่งตัวก็ร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ ในที่สุดก็พังหมดวัตถุธาตาุต่างๆที่เขาสร้างไว้แข็งแรงในวันที่สุดก็พังความรักในชาวิของชาวโลกก็ไม่มีการย่างเยืนถ้าไม่จะลายตัวด้วยการจากกันในขณะที่มีชีวิตเราก็ต้องจากกันเมื่อเส้นชีวิตแล้วทรัพย์ ส, บสมบัติของชาวโลกไม่มีอะไรเหลือเงิน ไ, ได้มาก็หมดไปถ้ามันยังไม่หมด ถ้าชีวิตของเราหมดเราก็ไม่มีเสร็จในการที่จะใช้ทรัพย์สินร <c oughs> วงความบัญญัตเกิดการตายของเราเวีนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนับประเป็นแสงแสนอสุนไคกับเราก็ไม่มีความสุขเวลานี้เราเกิดเป็นคนถ้าต่อไปถ้าเราจิตก็มีความประมาทเราจะเกิดไปอะไรก็ยังไม่ทราบถ้าเกิดเป็นคนอีกก็ทุกข์อีก ถ้าเกิดแต่ใบภูมิคือเป็นสัตว์แต่รบกวนเป็นเกษตรกรกายสติฉันก็ทุกข์ใหญ่ถ้าเปเกิดเป็นเทวดาแล้วผมก็มีความสุขทุกคราวาหาความจริงจังในความสุขจริงจังท้าวรไม่ได้วันตัดสินใจเพื่อปณิธานใช้าอาจิงจัญญาเจตราชานมองดูคนมองดูสัตว์มองดูวัตถุธาตุคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ชาเรากับเขาก็จากกันแม้แต่ร่างกายที่มีอยู่นี้ไม่ชาเราก็จากเชนเดียวกันเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราเราจะไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอืน่นเราจะไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆคำว่าไม่สนใจในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความมีกายจะปล่อกายอด กลายเป็โรคภัยไข้เจ็บเจ็บรลอยเป็นโรคก็ไม่ใช่อย่างนั้นทําอย่างนั้นก็ไม่ถูกโรคเกิดขึ้นต้องรักษาเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาร่างกายหิวต้องกินก็เป็นการบรรเทาทุกขเวทนาจนกว่ามันจะสิ้นดมาราณแม้แต่องค์สมเด็จพระธ毗ชิะมาณและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็ทานอาหารท่านก็ต้องรักษาโรค เรามองไปดูร่างกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเขาองค์ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดว่ามนุษย์ใดๆ <c oughs> แต่ในที่สุดร่างกายขององค์สมเด็จพรจอมไตรปรมประชาสันได้ก็ต้องสลายตัวที่เราเรียกท่านว่านิพพานแต่สัตว์ภาษาชาวบ้านเลียกเสมอตายร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายด้วย หรือว่าอริสมาในกายไม่ได้ตายด้วยก่อนที่ร่างกายมันจะตายเราต้องช่วยอริสมาในกายด้วยปัญญาและสติสมัมปชัญญะขัดเกลาออริสมาในกายให้ใสสะอาดเป็นแก้วเป็น ก, นกรกายพื้โดยทำจิตให้เข้าถึงสังขารเปรีายานเห็นว่าทุกเสียงทุกอย่างจะพังหมดกายเราพัง กายชาวบ้านพังกายสับพัง <c oughs> วัตถุธาตุพังในเมื่อมันจะพังอย่างนี้เราก็มายึดถือมันเป็นที่พึ่งต่อไปเราจะทนุกตนหนอมร่างกายมันไว้เพื่อสร้างความดีต่อจากนั้นไปเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเฉยของจิตการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานบรรดาพโยคาวจรหลายจุดนี้มีความสำคัญมาก จิตเราเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบ ก, กระทั่งจิตเราเฉยต่ออาการต่างๆที่เขามากระทบ ก, กระทั่งเฉยจากความแก่เฉยจากความป่วยเฉยจากความตายเฉยจากการพัดพลาจากของรักของชอบใจทําใจให้เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพระมีความสําคัญมากในตอนเช้าตรู่แบบนี้สม เ, เด็จพระจีนสีเคยทรงกัด ว่าท่านที่ได้ฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติให้เต็มตราโ <c oughs> ดยการเข้าฌานสมาบัตินี่เป็นการอากิตกดอารมณ์ของกิเลสถ้าได้ฌานโลคีในกิจกิจกิจจะสะอาดจากกิเลสจริงๆไม่ได้แ้วเราก็ไม่ถือสาใหา้ความอะไรถ้าแยกกดมันไว้แม่มันโผ่นิวรณนห้าบริการยันมันออกมาทางกายเอาให้ออกมาทางวาจากด้อยู หลักให้ห้ห่างจากใจโดยใช้กําลังใจเขาไปกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่าง ย, างานน ย, ายาิ่งอกิจกัญญาญาตนะชาญเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีเราก็ไม่เกาะในมันความรักในระหว่างเพศรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยมีคนรักมากทุกมากมีคนที่เรารักน้อยเราก็ทุกน้อย รักแต่ตัวทุกแค่ตัวรักคนอื่นทุกข์ถึงคนอื่นด้วยถ้ามีลูกมีหลานออกมารักลูกรักหลานก็ทุกต่อไปฉะนั้นกําลังใจในความรักดยกามารมณ์เราจะหยุดมันไว้ไม่ปล่อยให้มันกําเริบด้วยกําลังของนชานกําลังความโกรธกําลังความง่วงกําลังความพุ่งสร้างกําลังความสงสัยก็เช่นเดียวกันกดมันไว้ด้วยกําลังของนชานเราจะทําใจให้นิ่งทรงเสยต่ออารมณ์ อะไรมันมาตัดไม่ได้พยายามกดใจใหเฉยอารมณ์มันจะชินอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเวลาออกเป็นธรรมบาตจะเป็นประโยชน์กับบรรดาแต่พุทธบริษัทที่ใส่บาตรมากอันนี้สูงจะสูงจัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งสาหรับท่านที่ได้มโนยิทธิสร้างอารมณ์ใจใส บ, บายก่อนอันดับแรกชำระสิ่ โดูสินให้บริสุทธิ์คิดว่าเราจะส่งสินให้บริสุทธิ์เรการที่สองระงับเหวี่นให้ส่งตัวให้สงบสงัดใรการที่สา ม, ส, ม, มาส่งธรรมบีฮานสี่ข้อนี้สําคัญมากจิตเราคิดไว้เสมอว่าเราจะมีความรักในคนละตัทั้งโลกเสมอด้วยการรักตัวเราเองและรายการที่สอง เราจะตั้งใจจะเกือ้อกูลคนสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขเรามีจิตคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิสนหรับคนสัตว์ทั้งโลกไว้เสมอรายการที่สามเราจะไม่อฉ า, า, า, อ า, าดิสยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีเรายินดีกับความดีของเขานั้นเพื่อมาปฏิบัติปฏิบัติตัวให้มีความดีรายการที่สี่เราจะเฉยต่อก า, ารที่เพี้ยงคำและไม่ซ้าเติมใครใจจะสะอาดบริสุทธิ์ หลังจากนั้นก็พิจารณาคิดว่าโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มด้วยความเสื่อมสวรเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่พึงปรับปรนนานร่างกายต่อไปการเกิดคราวใดต่อไปฉะน่าจะไม่มีดีกการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมคนดีจะไม่มีสำับเา่าเราต้องการจุดเดียวคือในพรานทําจิตสะอาดรังเกียจ คามบัญทักษ์รังเกียจโลภะความโลภเห็นร่างกายเต็มไปด้ความสุขสงบสงบตักกายมองดูร่างกาย ต, ต, ตั้งแต่ศรีษะถึงเท้ามันเต็มไปยความสุขสงบมีความไม่เที่ยงแท้แน่นนอนเราจะไม่ต้องการมันอีกหลังจากนั้นก็ส่งกําลังใจขึ้นไปนิพพานก่อนจะถึงนิพพานแดนใดที่เราเคยเคารพท่านผู้มีคน <c oughs> โดนใหญ่เราจะตั้งกำลังใจเข้าไว้ที่เขตวันดุกรรมพลจิระอาจท่านเชิญท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมา ร, รวมกันที่นั่นแล้วก็นำมาจัดการท่านโดยความเคารพเรื่องผู้มีคุณมีความสำคัญมากอย่าลืมความกตัญญูรู้คุณถ้าขาดความกตัญญูรู้คุณเราก็เอาดีไม่ได้เหมือนกัน คนอักตันยูไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นยอดความกตันยูรู้คนพระราชาบิดาอยู่ที่ไหนทรงไปโปรดพระราชาบิดามาดาไปไหนทรงไปโปรดผู้มีคนมีความดีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นทรงเคาะเขาเป็นการสนองกัน <c oughs> ในฐานนะที่พวกเราเป็นสาว <c oughs> กพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องทําอย่างนั้นเพื <c oughs> ่อจิตเป็นสุข เมื่อนามาสการท่านผู้มีคนแล้วยกกำลังใจเข้าไปเมืองแก้วนั่งคือนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานตอนหน้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเราคิดว่าเราอยู่กับท่านก็แล้วกันจัดเป็นพุทธาเนวติสมถทา น, าทานให้จิตใจของเรารักนิพพานเป็ น, นที่สุดอย่างนี้ถือว่ายกติดออกจากกิเลส คือจิตถ้ามันอยู่กับกายเสมอมันก็ฝังอยู่กับในถังที่เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกเรายกจิตออกจากกายก็มีสภาพมันก็ยกจิตออกจากสิ่งโสโครกมีด้วยความสะอาดหดฟองความมัวหมองไม่มีสำหรับจิตจิตจะสะอาดอใสรัสกกษากําลังใจไว้ว่าถ้าตายเมื่อไรขอมานิพานเหมือนนั้น เพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทุกท่านถ้าถึงเวลาเช้าจะไปปฏิบับติญาตโยมพุทธบริษัทที่ใส่บาตจะมีความสุขแล้วก็จะมีอะไรสงมากเป็นเศษยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วถ้าบรรดาท่านสาวุคคองต้นสตภาพาที่แก้วท่านใดมีใจมั่นคงในการปักกินเหลส็สามประการคือ ส ก, กายาทิฏวิจิตราสีนลนภตาปรามาตยอันเป็นคุณธรรมของปะโสดาบันและพระสกิทาคามีเราจะเป็นปะโสดาบันหรือสกิทาคามีหรือไม่ไม่สําคัญอย่าหลงอย่าเมาในความเป็นพระอริยะแล้วก็จงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยะถ้าคิดอย่างนั้นความปรรมาตจะเกิดขึ้น ในที่สุดเราตายเราจะไปอบาลยภูเรามีชีวิตอยู่เราจะไม่มีความสุขพก็ไม่ได้เป็นพระอริยจ้าริารงฉะนั้นขอบรรดาพโยคาวาจรชายและหญิงพระภิกษุสามนเลนท่านที่คุมกําลังของสังโยชนบบสามแต่การได้ก็จงอยากหลงว่าเราเป็นพระริยะอย่าเข้าใจว่าเราเป็นพระริยะความประมาดจะไดเกิดขึ้น สังโยชน์สามรายการที่เราจะระงับคือหนึ่งสกายาติธิสําหรับอารมณ์ในตอนนี้ยังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายก็คิดว่าความตายเป็นธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาคนและสัตว์ทั้งหมดเกิดมามันต้องตายแต่ถ้ามันอยาตายก็ขอตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ถ้าต่อไปไม่ตาย อ, อีกนั่นคือขอปาณิพนธ์หลังจากนั้นจะยอมรับนับถืความดีของสมเด็ จ, รรจพระสัมมาจักพรรดเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ว่าเรามีความมั่นคงยอมรับนับถือจริงจังหรือไม่ทกำกาลังใจให้สมบูรณ์ในการยอมรับนับถือทำจิตใจให้มั่นคง หลังจากนั้นก็สร้างกำลังใจคือทรงศีลให้บริสุทธิ์ของตามฐานนะ่ะเป็นพระเป็นเลนเป็นบาสรศุกริการักษาสิลแต่างกำลังของท่านจิตหวังผลิพานเป็นที่ไปรักษากำลังใจบริสุทธิ์ของตามนี้จิตใจจะมีการใสาาสะอาดมีปราศจากกิเลสเป็นตัวหลีอารมณ์จะกด่องความมัวหมองจะไม่มีในจิต ถ้าคิดมาถึงตอนนี้ถ้าทรงอารมณ์ได้แค่นี้ที่ว่าเป็นอารมณ์ของมโนโสดาบันปสิก ธ, ธาคามีทำได้อย่างนี้หลังจากนั้นแล้วยกติเข้าไปที่ปนิพานเอาใจไปตั้งว้ที่ปิพาน์ต่อหน้าองค์สมเด็จพระจิตตมารตานที่เราคิดถึงท่าน <c oughs> ใครก็อยากเ้าบ้าๆ บ, บ, บ, บอๆก็ช่างเป็นพทนนุนาทธานุสติกรมมฐาน เขจะบอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วจะพบได้อย่างไงท่านั่นไม่สําคัญร่างกายท่านนิพพานใยความดีของท่านมาไดานิพพานเรานึกถึงความดีของท่านที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าขันห้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าขันห้าเป็นแดนที่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยในกําลังใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราพบพระพุทธเจ้าโดยกําลังใจท่านมีแต่เป็นกําลังใจแล้วก็ใช้ใจพบ อย่างนี้จะพบอะไรก็ได้ จ, จิตใจผ่องใสให้รักษากำลังใจอย่างนี้ท่านได้ใส่บาตรในเวลาเช้าจะมีันนีสูงดีเป็นกณีพิเศษสูงมากหลังจากนั้นสาวกของสมเด็จกระูู้้มีพระภาคพบทวนกำลังใจคิดว่ามนุษย์โลกเทวโลกกับอมโลกเป็นแดนที่เต็มไปด้วยความได้ยำเป็นดินแดนที่เต็มได้วยความทุกข์ เป็นดินแดนที่เต็มได้วยความวุ่นวายเป็นดินแดนที่เต็มได้วยความขัดข้องเราต้องการอะไรในมนุษย์โลกสิ่งนั้นมันไม่ข้อจะได้สอความปัถนาถ้าจะได้มาก็ได้จาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขได้มาด้วยความลําบากยากเย็นและสิ่งต่างๆเห ล, าล่านั้นก็ไม่ส่งตัว ได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็สลายไปแ <c oughs> ม้แต่ร่างกายของเราก็จะพังแดนที่วันโลกและประมโลกเราทุกทวนกันแล้วลว่าเราเคยเป็นทวดาและเคยเป็นพรหมเราก็อยู่มาได้นานเมื่อไม่ใช่แดงของความดี <c oughs> มันเป็นแดนที่พักทุกทุกราวเราไามา่ต้องการหยุดที่เราต้องการนั่นคือปฏิภาณ หลังจากนั้นเขาราดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพร โ, โยคะาวจรที่เป็นพระที่เป็นเลนเป็อมบาสุกุบาธติกานักษากำลังใจไว้เพื่อผลิภัยเราจะรังเกียจความโลภทำลายความโลภใยจาระนสติกตรมฐานด้วยจิตคิดจะให้ไปเสมอไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างนี้ถือว่ากำลังใจหมดจากความโลภ เราจะทำลายความโกรธด้วยเหตุแล้ผลว่าคนทุกคนเกิดมาต้องการดีแต่ว่าที่ดีไม่ได้เพากำลังใจคบกับความชั่วเปกิเลสฉะนั้นเราไปสาว่าพรองค์สมเด็จพระบรมรูปเกศจะตัดความชั่วเด็กพาารหมญาณสี่หรือก็สิ้นสี่ตามปติยาัสแล้วก็อย่าทรงกำลังใจวางเฉยไม่คิดโตอตอบก็บคนเร็วที่เขาก็ะแดอาการเร็วออกมา เราจะตัดความหลงความเมาในความรู้สึกของเราที่คิดว่าเราดีระเบเดริดที่สุดแตความจริงไม่ใช่อย่าไปทำลายความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรอย่าไปโฆษณากับใค ร, รว่าตายแล้วไม่เกิดเทวดาไม่มีเพราะไม่มีนระกเปิดสุรกายไม่มีอันนี้ผิดเป็นวิฉาที่ชัดเพราะว่าองค์สมเด็จพระงทงงถวัตยทรงยืนยันว่ามี ธ้บรรดาพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเราพบกันมาแล้วในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบพิทรแก้วเราพบแล้วก็ต้องมั่นใจในจิตคิดไว้เสมอว่าตายและมีสภาพไม่สูญแต่เราจะไม่เกิดต่อไปจุดที่เราจะไปนั่นคือพนิพพานหลังจากนั้นทางกําลังใจทุกท่านให้ ม, ใหมีให้มีความสะอาดทั้งหยุดตาร่มชั่วแสงอยู่ในได้นข้างความดีทั้งสายกําลังใจให้เป็นสุข อีกวัาตั้งไว้ที่เดีผ่านจนกว่าจะถึงการเวลาที่ท่านอยู่ควรจะเลิกอาสวัตติ